ต่อไปจะผนวกกันเข้าระหว่างจตุถีวิพัฒต์กับฉถีวิพัฒต์ซึ่งบาลีมีใช้มากพอสมควรอยู่ในประโยคเดียวกันมีจตุถีวิพัฒต์และฉัถีวิพัฒต์ถ้าในในที่มีสองอย่างอย่างเนี้ยส่วนมากแล้วจตุถีวิพัฒต์จะใช้ในอัดเพื่ออัดว่าเพื่อมีการอาเทศสจจตุถีวิพัฒน์เนี่ยเป็นอายะในอัดตุงปัจจัยก็จะแปลว่าเพื่อ จตัวถีวิพัตแปลว่าเพื่อและฉัถีวิพัตแปลว่าของเพื่อของใครเพื่อประโยชน์ของใครดูตัวอย่างข้อหนึ่งพุทธโธเกสังอัถายาโลเกอุปัชติพุทธโธพระพุทธเจ้าอุปั ช, ชติย่อมอุบัติขึ้นโลเกในโลกอัถายะเพื่อประโยชน์เกสัง แกใครแกสัตว์เหล่าไหนแก่ชนเหล่าไหนเกสังเป็นผู้อุพพศเป็นสรรพน า, ามกิงก็แปลว่าแก่ใครทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์แก่ใครนังเป็นสังเกสังแล้วก็อะเป็นเกอะเป็นเอเป็นเกสังคำตอบข้อสอง พุทโธสตตานังอัถยะโลเกอุปัชติเปลี่ยนเกสังเป็นสัตตานังเท่านั้นเองแหละคําตอบคําที่เหลือเหมือนเดิมแปลว่าเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายของสัตว์ทั้งหลายคําว่าสัตว์ทั้งหลายในที่นี้หมายถึงเวไนยะนั่นเองนะหมายถึงเวไนยสัตว์เวไนยะเองครับคําว่าเวไนยะนี่แปลว่าผู้ที่สามารถแนะนําสั่งสอนได้แนะนําสั่งสอนได้ ที่ไม่ใช่ป่าท่าประมะครับที่ไม่ใช่บัวใต้น้ำครับอ๋อถ้าจะใส่ก็คือเวเนยะสัตตานเขียนเวเนยะถูกไหมแปลว่าผู้ที่พระพุทธเจ้าควรแนะนำสั่งสอนหมายถึงผู้ที่แนะนำสั่งสอนได้นั่นเองเดี๋ยวนี้มักจะมาพูดภาษาคําทั่วๆไปเพราะอาจารย์นี้สอนไม่ได้เขบอกว่าไม่ใช่เวเนของท่าน บางคนเป็นนะไปหาอาจารย์นี้อาจารย์นี่สอนไม่ได้ไปหาอาจารย์อื่นยอมฟังอาจารย์อื่นผู้ที่ควรแนะนําสั่งสอนหมายถึงว่าได้ทําความดีมาพอสมควรดีจนถึงขนาดเข้าปรากฏในข่ายพยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์ตรวจดูเวนยสัตว์ว่าควรจะโปรดใครใครปรากฏขึ้นในข่ายพยาน ผูนั้นผู้เจ้าก็จะไปเพื่อจะแนะนำสงสอนนั้นจึงเรียกว่าเวเนยะหรือบางคนก็ได้ทําบุญกับพระอาหารหันต์หรือกับพระพุู้เจ้ากับพระประเจพเจ้ า, จาผู้ที่ออกจากนิโรธทสมาบัติใหม่ๆอะไรเนี่ยต่อไปดูข้อ3ามพักขวาเกสังหิตายสุขายะธรร ม, มังเทเสติแปลเองก็ได้เนี่ยแปลเลยอ่ะลองเชื่อกันแปล พระวาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเทเสติย่อมทรงแสดงธรรมสุขขาธาตุคุยเจ้าแสดงต้องพระธรรมหน่อยธรรมซึ่งพระธรรมหิตายะเพื่อประโยชน์หรือเพื่อเกื้อกูลสุขายะ เพื่อความสุขเกษสังของใครของใครบ้างของใครทั้งหลายนั่นเองอ่ะหรือว่าบอกเกษสังชนะนังของชนทั้งหลายเหล่าไหนข้อ4เป็นคําตอบเปลี่ยนเกษสังเป็นเพียงเทวะมนุษย์สานังคําอื่นๆเหมือนเดิมเทว ะ, วะมนุษ์สานังก็แปลว่าของเทวดาว <ะ S 2> และมนุษย์ทั้งหลายข้อห ไม่ต้องแล้วครับมันง่ายแล้วก็ไม่ต้องแล้วตวังกิมัฏายะอิทังฐานนงอาคัจฉีตวังท่านอาคัจฉีย่อมมาอิทังฐานนงสู่ที่นี้สู่ที่นี้หรือสู่สถานที่นี้กิมัฏาย กิมัฏฐายะไม่ต้องกิงก้งครับกิมัถายะนี่แหละครับอันนี้มันไม่ใช่กิงนะครับเนี่ยเราจะแยกมาเป็นสนธินะครับเป็นคําสมาธิกิมัฏฐาย ะ, ายะเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์อะไรไ ม, มันเป็นสมาธิไปแล้วถ้าเป็นสนธิเราก็ แ, แยกออกมาได้ว่ากิงบวกอัถายะแต่นี่เป็นสมาธ แยกออกมากคือกิงกับอัถฐนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสมาธแล้วจะไม่แยกว่ากิงอัฏฐเพราะยังไงก็จะอา่านว่ากิงอัถายะไม่ได้ต้องอา่านว่ากิมัฏายะข้อหเป็นคําตอบอหังสีปังอุขะหนาาะัถายะอาจริยสสะสันติกังอาคัจฉามิอาหารข้าพเจ้าอาคัจฉามิย่อมมา สันติกลงสู่สำนักสู่สำนักคำว่าสำนักเนี่ยไม่ได้หมายถึงวัดนะคำว่าสำนักในบางทีอยู่คนเดียวไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อย่างนี้เขาก็เรียกว่าสำนักเหมือนกันคำว่าสันติกลางเนี่ยแปลว่าใกล้ๆสันติกลางเนี่ยแปลว่าใกล้ๆก็คืออยู่ในรัศมีของอาจารย์นะเช่นอาจารย์พูดคำไหนก็ได้ยินอาจารย์สั่งอะไรก็รับฟังอะไรเรียกว่าสันติกลางแปลว่าใกล้ๆ นั้นส่วนใหญ่ท่านแปลว่าสํานักสันติกังสู่สํานักของใครอาจารย์ปรยิยสระของอาจารย์โอคาหันฐายะเพื่อเรียนเพื่อประโยชน์ในการเรียนเอาสิบปังซึ่งศิละปะเพื่อประโยชน์ในการเรียนเอาสิบปังซึ่งศิลปะ ข้อเจ็ดอีทางพัดตังเกสังหิตายภาพวติอีทางพัดตังแปลว่าพัดนี้พัดแปลทั บ, บศัพท์พัดนะทำไมแปลทับศัพท์แปลว่าอย่างไงข้าวนี้ข้าวนี้อาหารนี้อาหารนี้ข้าวปลาอาหารนี้ภวติแปลว่าอะ ย่อมมีย่อมเป็นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมีประโยชน์มีย่อมมีมีอยู่หรือว่าย่อมมีมมหิตายะเพื่อประโยชน์ เ, เกสังของใครของใครทั้งหลายของใครบ้างคําตอบไม่มีถ้าจะตอบจะตอบว่ายังไงเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าทั้งหลายว่ายังไงทำหาจัง เพื่อประโยชน์ของพิสูุทั้งหลายว่าอย่งไรเพื่อประโยชน์แก่แขกทั้งหลายว่ายัางไงอคันตุการนังเพื่อประโยชน์ของอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายว่าอย่างไรอุปาสกานังอุปาสกานังข้อ 8, ภิกขุปินดายะขหะปติสค า, ามังอุปคัตชติ พิกุิกุอุปคัตสติย่อมเข้าไปย่อมเข้าไปคามังสู่หมู่บ้านขหปะปติสระของขหะ บ, บดีไปทำไมไปทำไมปินดายะปินดายะเพื่อบินทบาทไปเพื่อบินทบาทข้อเก้า อหังอัตโนหิตายสุขายพัดตังปุนชามิอาหารพุญชามิพุนชามิย่อมกินย่อมกินย่อมบอลกริโภคพัดตังซึ่งพัดซึ่งข้าวซึ่งอาหารซึ่งข้าวเนี่ยแหละง่ายดีหิตาย เพื่อประโยชน์สุขายะของใค ร, รไม่ใช่ของข้าพเจ้าบาลีก็ไม่ได้บอกข้าพเจ้านี่อ่าอัตตาแปลว่าตนอัตโนของตนข้อสิมะยังอัตโนอัตโนสังรีงรังนะันดนายะนะวิภูสนายะพัดตังพุญชามะมะยัง ข้าพเจ้าทั้งหลายคุณชามะย่อมกินยอ่นยอมบริโภคพัตตังซึ่งอาหารนมะมันดนายะไ ม, ไม่ใช่เพื่อประดา บ, ดาบนวิภูสนายะไม่ใช่เพื่อตกแต่งไม่ใช่เพื่อตกแต่งสังรีงรั ง, งรซึ่งร่างกาย อัตโนอัตโนเอ๊ะปกติแล้วเวลากินข้าวเนี่ยคิดเป็นอะไรข้อ11อ็มานิภตานิคามิกานิหิตายะอาคามิกานังหิตายะนะสันติอาคันตุการังปนะสันติมีสองประโยคนะอิมานิพัตานิเป็นประธานสันติเป็นกุณียามีณปฏิเสธด้วย แปลอิมานิพัฒ ต, ตานิพัฒนาหารทั้งหลายเหล่านี้ณนะสันติย่อมไม่มีย่อมไม่มีมมมหิตายะเพื่ อ, อประโยชน์คามิการนังคามิการนังของของขอ ง, ของเจ้าของบ้านของเจ้าของบ้าน ปนะแต่สันติย่อมมีอาคันตุการังเพื่อประโยชน์นั่นเองนะเพื่อประโยชน์หิตายะแม้ไม่ใส่ก็ให้รู้หิตายะเพื่อประโยชน์อาคันตุการังของอาคันตุการเพื่อง่ายว่าข้าวที่มีเนี่ยไม่ไว้เจ้าของบ้านกินนะเอาไว้ให้ต้อนรับแขกอาหารต้อนรับแขก ส่วนมาแขกไปบ้านเนี่ยคนในบ้านยังไม่กินไม่เป็นไรต้อนรับแขกให้อิ่มก่อนต่อไปประโยคสุดท้าย 12. สโสปุคโลอัตโนหิตายะกัมมันตังนะกังโรติปะเควะปังเรสังหิตายสโสปุคโลแปลว่าบุคคลนั้นะนะกังโรติย่อมไม่ทม กรรมตังซึ่งการงา น, งางานหิตายะเพื่อประโยชน์อัตอนโมนมนะัผู้นั้นไม่ทำงานเพื่อประโยชน์ของตนเลยปะเควะปันเรสังหิตายะปะเควะจะป่วยกล่าวไปใหญ่จะพูดไปทำไมหิตายะหิตายะพเพื่อประโยชน์ ป, ชนปันเรสัง <ส>ของสิครับของบุคคลของชนทั้งหลายเหล่าอื่ น, น, นคนคนนี้ไม่เคยทํางานเพื่อจะให้ประโยชน์กับตัวเองเลยแล้วอย่าไปหวังว่าจะทําให้คนอื่นทําให้ตัวเองยังไม่ทําจะไม่หวังว่าจะทําให้คนอื่นครั้งหนึ่งโสบุคคโลบุคคนนั้นณะกันโรติย่อมไม่ทําย่อมไม่ทํากรรมมันตัง<ส><ส>ซึ่งการงานซึ่งการงานนะ หิตายะเพื่อประโยชน์อัตนโนของตนปะเควะจะป่วยเก่าปลายัยหิตายะเพื่อประโยชน์ตังเรสังของคนทั้งหลายเหล่าอื่นเพราะว่าคนทําแต่ประโยชน์ตนไม่ทําประโยชน์คนอื่นน่ยมีมากอยู่แล้วแต่นี่ประโยชน์ตัวเองก็ไม่ยอมทําเลยประโยชน์คนอื่นไม่ต้องพูดถึงปะเควมาจากปลาอุปสรรคไอปาหนี้บาท ลงคะอาคมแล้วก็เอวะปะเควะนะตัดสนธิออกมาเป็นปาบวกเอวะปาบวกเอวะลงคะอาคมเมื่อลงคะอาคมแล้วเนี่ยนะก็มีรัศาอาเป็นอ่ะปาเควะก็เลยเป็นปะเควะลงคะอาคมที่เอวะนั่นแหละนะรัศาอาที่ปาเป็นอ่ะก็เลยเป็นปะปะเควะ สํานวนท่านแปลแปลว่าอย่างนี้จะป่วยก่าวไปใหญ่ไม่ต้องพูดถึงภาษาไทยอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาจะทําประโยชน์ให้คนอื่นพุทธโธเเสังอัายโลเกอุปัชติพระพุทธเจ้าทรงอุบาทขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์ของใครของสอง พุทโสัตตานังอัายะโลเกอุปั ช, ชติพระพุทธเจ้าทรงอุบัท์ขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายภะควาเกสังหิตายสุขายะธรรมังเทเสติพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงซึ่งพระธรรม เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของใครพระเขาวาเทวมนุษยสานางหิตายะสุขายะธรรมัมงเทเสติพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ตวงกิมัายะอิทังฐานังอาคัจฉาสิท่านย่อมมาสู่ที่นี้เพื่อประโยชน์อะไรอาหางสิปังอุคหนัฏายะอาจารย์ยสษสัสนติกังอาคัจฉามิข้าพเจ้าย่อมมาสู่สำนักของอาจารย์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนเอาซึ่งศิลปะอิทังพัตังเกสังหิตายหะวะติเท่านี้มีอยู่เพื่อประโยชน์ของใครพิกุปินดายะคาหปฏิสักขขามังอุปะคะชิ พิกษูเข้าไปสู่หมู่บ้านของข้าหบดีเพื่อบินทบาทอาหางอาตโนหิตายสุขายพัตังพุนชามิข้าพระเจ้าบริโภคอาหารเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตน มะยังอัตโนอัตโนสังรีงรังนันดนายะนะวิภูสนายะทัตตังภุชามะเราทั้งหลายย่อมบองริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อประดาบไม่ใช่เพื่อตกแต่งซึ่งร่างกายของตนของตน อิมานิภั ต, ตานิคามิกานังอิตายะนะสันติอาคันตุการังปะนะสันติอาหารเหล่านี้ย่อมไม่มีเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบ้านแต่มีเพื่อประโยชน์ของอาคันตุกา โปุคโลอัตโนหิตายะกัมมันตังนกันโรติปะเควปันเรสังหิตายะบุคคลนั้นย่อมไม่ทำการงานเพื่อประโยชน์ของตนจะป่วยกก่าวไปใหญ่เพื่อประโยชน์ของคนอื่น ถ้าสนทีเนี่ยนะสับที่จะมาเข้าสนที่กันเนี่ยมันมีวิพัฒน์ใครวิพัฒน์นั้นวิพัตน์ใครวิพัฒน์มันบทหน้าเขาวิพัฒน์ของบทหน้าบทหลังวิพัฒน์บทหลั ง, ลงแต่พอเข้าสมาธิแล้วมันมีวิพัฒน์เดียวกันเท่านั้นแยกให้เห็นสัพท์แยกได้แต่ว่าจะแยกออกมาเหมือนตัดสนที่ไม่ได้อัถายะกับกิงเนี่ยอัถายะมันเป็นบทตั้งเป็นวิเศษยะส lerin, ่วนกิ่งเป็นตัวขยายเป็นวิเศษณนะบทขยายกับบทถูกขยายเนี่ยมันต้องมีวิพัฒน์เดียวกันนะต้องมีวิพัฒน์เดียวกัน ดังน้นมันต้องมีรูปากายะอัถายะเพื่อประโยชน์อะไรต้องเป็นกายะอถายะเมื่อจะเข้าสมาดกายะอถายะก็ะต้องเป็นกายัตถายะไม่เป็นกิมัถายะต้องเป็นกายะถายะถ้าเป็นสนธิการเอากิงเข้าสมาดกับอัฐมาก่อนเพราะสละอยู่หลังนี่หิรตะเลยเป็นมะไปเป็นอกิมัฏฐะแล้วค่อยเอากิมัฏฐะเนี่ยมาจําแนกวิพัตกิมัฏโธกิมัฏฐากิมัฏฐังกิมัฏฐเเ กีมัเทนะกี่มัเทฮิกีมัเทพี่กี่มัดถัดสักีมัดฐายะกี่มัดถังกิมัดฐานังก็เป็นอย่างนี้ไปมันต้องเป็นกี่มัดถะกิมัดถะอยู่งั้นน่ะเคยบอกว่าไงนะคนคนเรียนเร็วเนี่ยเจ็ดวันจบคนเรียนช้าไอ้คนเรียนปานกลางเจ็ดเดือนจบใกล้ใกล้แล้วนะเนี่ยเราเราปานกลางเจ็ดเดือนจบคนช้าก็เจ็ดปีจบ ถ้าคนไม่รู้เรื่องเลยก็เจ็ดชาติจบถ้าเจ็ดชาติยังไม่จบน้องต้องเจ็ดพระพุทธเจ้าสงน้ำเจออาจารย์แล้วต้องตั้งใจเรียนเอาดูต่อไปให้จบให้จบตอนเปิดหน้าหนึ่งหน้าห้าสิบสองตอนเนี้ยทีนี้มาภาคภาษาไทยเปลี่ยนไปเป็นภาษาบาลีบ้างข้อหนึ่งท่านมาเพื่อประโยชน์ของใคร ท่านมาเพื่อประโยชน์ของใครเขาถามของใครเนี่ยนะเราจะใส่ให้เป็นเอกพจน์หรือพู้หูพกก็ได้ดูคําตอบถ้าคําตอบเป็นเอกพจน์แสดงว่าคําถามเนี่ยเป็นเอกพจน์ถ้าเขาบอกว่าของตนด้วยของศ า, าสนาด้วยเนี่ยมันหลายอย่างแล้วก็ต้องของใครเนี่ยต้องใส่พหูพจน์ว่าเกสังอ้ววาวเขียนตะวั ง, ววงท่านก็ตะวังมาละมา อ า, อาคัตชะสิาคัะสอาคัะสของใครล่ะของใครของใครเกสังเกังเพื่อประโยชน์อัถายะอืมอัายะเรียงประโยชน์เป็นตวังเกังอัายะอาคัะสตวังเกสังอัถายะอาคัตชะสิะสาาะะสข้อ2ข้าพเจ้ามาเพื่อประโยชน์ของตนด้วย ของพระศาสนาด้วยใครนะจะตั้งใจแบบนี้นะมาทั้งเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์พระศาสนาเนี่ยเอาข้าพเจ้าว่าไงข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าเขาไม่ได้บอกว่าเอกพจนหรือผู้พจน์เนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าเอกพจนหรือผู้พจน์ถ้าผู้พจน์ก็ต้องข้าพเจ้าทั้งหลายใช่ไหมข้าพเจ้าอหังมามา ตอนนี้ต้องอาคัตฉามิเพื่อประโยชน์ของตนด้วยอัตโนจะของพระศาสนาด้วยของพระศาสนาด้วยเอาไปทำไมเนาะน่ะมิทเขาไม่้เขาไม่ดีบอกว่าเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อพระศาสนา มุนตสาสนัตสาอืมศาสนาสัจะทีนี้เรียงประโยคมาให้ถูกอหังอัตโนจะศาสนาสัจจะอัถยะอาคัจฉามิอหังอัตโนจะศาสนาสัแล้วก็จะศาสนาสัจจะ อัฐยะอัฐยะก็ได้หิตายะก็ได้นะเพื่อประโยชน์เนี่ยคำใดคําหนึ่งได้อัฐยะแล้วก็อาคัตฉามิอหังอัตโนจะศาสนสาสัจอัฐยะยอาคัตฉามิศาสนาสัจเหมือนปุริสัจสันั่นแหละศส า, สาสนัสะจเสือสองตัวถ้าเอกพจน์ก็อาคตมหิ ข้อสาท่านหุงข้าวไว้เพื่อประโยชน์ของคนเหล่าไหนท่านละ่ะท่านตะวังหุงข้าวไวล้ล่ะหุงข้าวไวล้ล่ะหุงข้าวหุงข้าวโอท่านนางปัจจามปจาัจจสิท่านน่ะท่านต้องปจัจจสิตะวังโอท่านนางปจาัจจสิท่านหุงข้าวเพื่อประโยชน์ละ่ะ อัายะของคนเราไหนล่ะเกศังเกศานังก็ได้เรียงประโยคให้ถูกตะวังเกศังอัฐยายโอทังปะจะสิตะวังคู่กับสิปะจปะจสิะสไม่ใช่ปัดนะปะจสปะจสติตัวเดียวตัวเดียว ปจจสิปจสปจสิตวังเกสังโอท ฐ, ฐายะโอทังปจจสิข้อสข้าพเจ้าหุงข้าวไว้เพื่อประโยชน์ของพวกท่านข้าพเจ้าว่าอย่างไ ร, รไอหั ง, งหุงข้าวไว้ โอทนังปจา ม, มิเพื่อประโยชน์อัฐายะของพวกท่านตุมหากังเลียงประโยคให้ถูกว่าอหังตุมมหากังอัฐายะโอทนังปจามิอหังตุมมหากังอัฐายะ โอทะนังปะจามิปะอ่าไม่ใช่ปัดปะป ะ, ป ะ, ปะจอจานตัวเดียวต่อไปข้อห้าวัดแห่งนี้เขาสร้างไว้เพื่อประโยชน์ของใครมีคำว่าเขาสร้างไว้ด้วยนะทีนี้วัดแห่งนี้ก่อน อ, อิมังอาวาสังเตมาสังอุเปมิสิ่งนนะ <laughs> <laughs> <laughs> วัดแห่งนี้ว่าไงวัดอะ่ะคำว่าวัดภาษาบาลีว่าไงก่อนอารามลิงอะไรว่าลิงให้ถูกอารามอะอารา ม, ารามลิงอะไรอารามอะ่ะปุงลิงสกดว่าอารามอารามถ้าอารามเนี่ยมันไม่ชัดเพราะอารามแปลว่าวัดก็ได้แปลว่าสวนดอกไม้ก็ได้ เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าสวนดอกไม้แห่งนี้นั้นต้องใช้คําที่มันแปลอย่างอื่นไม่ได้อีกเลยอ่าต้องใช้วิหารโรแห่งนี้ว่าไงแห่งนี้โอ้โหอีทังนุนพงศลิ ง, งวิหาโรพุงวิงอีมังก็ไม่ได้อีมังทุติยาวิพัฒน์วิหาโรปฐามาวิพัฒน์อืมอายัง อะยังวิหารโววัดแห่งนี้เขาสร้างไว้ก็คือถูกเขาสร้างไว้นั่นเองต้องเป็นกรรมกิริยาต้องเป็นกรรมถ้าใช้กิบก็เป็นการริโตถ้าใช้อคยาก็เป็นการริยติการริยเตอการริยเตการริยเตเอาทั้งสองตัว กลางฤตโตวงเล็บวงเล็บไว้ว่ากางริยะเตกลางฤตโตหรือกางริยะเตใช้คําใดคําหนึ่งอะคำไหนก็ได้ใช้กิจกับวรรมกิจเพืญญ่อประโยชน์เหมือนเดิมแหละเกสรัตฐายะเหมือนเดิมเรียงประโยคว่าอะยังวิหาโรโกร เกสังอัถายาการิโตการิโตหรือก า, ร, ร, อการิยเตคําใดคำหนึ่งคำตอบข้อ6วัดแห่งนี้เขาสร้างไว้เพื่อประโยชน์ของพิสูุนด้วยของอุบาสกและอุบาสิกาด้วยยังวิหารโรเหมือนเดิมแหล ะ, ะยังวิหารโรมเขาสร้างไว้กัการิโตมอนเดิมนั่นแหละ เพื่อประโยชน์ของภิกษุด้วยเพื่อประโยชน์ก็เหมือนเดิมอัถายะของภิกษุด้วยว่าเขาไม่ได้บอกว่าทั้งหลายเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายของภิกษุด้วยภิกขุสัจจาภิกขุสัจจะภิกขุสะแล้วก็จะไม่ใช่ภิกขุสัจจะภิกขุสะแล้วก็จะ วายทูไม่ใช่พิคุสัจจะพจิคุสะแล้วก็จะหรือถ้าพิคุสัจานว่ายยากับพิกขุโนจะพิคุสัจพิคุพิคุตสะพิคุโนะอันเดียวกันพิกขุโนจะของอุบาสกและอุบาสิกาด้วยก็เป็นอุปาสการสัจะอุปาสการสัจะโอ้เขียนถูกไหมเน้อนี่อุปาสการสันี่ พิคุโนจะของพิสูดด้วยอุปาสกัดสัจะของอุบาสกและอุบาสิกาด้วยน่พี่ยงไม่ใช่พิคุสัจจะพิคุสะแล้วก็จะว่าบารีเลียงให้ถูกก่อนอะยังวิหารโรพิคุโนะจะอุปาสกัดสัจะอัธยาการิโตอะยังวิหังโรพิกคุโนจะ ขุปาสกัตสะจะอัฐายะกางริโตต่อไปข้อ7การเรียนบาลีนี้เพื่อประโยชน์ของเราในวันนี้และวันหน้าการเรียนบาลีนี้เอาการเรียนก่อนบาลีว่าไงบาลีบาลีอ๋อ<ม>บาละก็มี ปาลิภาสษาเขาไม่ได้บอกว่าภาษาบาลีนี้นี่นะเขาบอกการเรียนบาลีภาสังแปลว่าภาษาไม่ได้แปลว่าการเรียนสิกขามีก็มีการน่ะการถ้าการเรียนนะถ้าใช้สิถ้าใช้สิกขาท่าก็เป็นสิกขนังปาลิสิกขนังถ้าใช้อุขะณะก็เป็นปาลิอุขะนัง ก็ใช้ว่าปาลิสิขนังง่ายๆ่ศิขนังศิขานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นสิขนังการน่ะการนี้ด้วยนี้ก็ต้องอีทงังอทังปาลิศิขนังเพื่อประโยชน์ก็เหมือนเดิมแหละอัฐยะของเราก็าแปลว่าอัตนออัตโนของตนของเราของเรา ของเรามมะเ ม, มออมหังมะมะของเราในวันนี้ล่ะในวันนี้ฮะในวันนี้อืมในวันนี้และในวั น, นหน้าเอาว่าไงในวันนี้ว่าไงในวันนี้ในวันนี้ด้วยในวันหน้าด้วยนั่นเอง ใช้คําที่มันแปลว่าวันเลยเราเจอคําแปลว่าวันมาทั้งเยอะทั้งเยอะแลยวทิวเสก็ใส่ว่าอีมัดสมิงทิวเสในวันนี้ในวันหน้าก็ปะเรทิวเสในวันหน้า <c oughs> อีมัดสมิงทิวเสจะปะเทรทิวเสจะอา้าวทีนี้เรียงประโยคให้ถูกอีทัง ปา in be, ล, ลิสิกนังอิมัสมิงทิวเสออิมัสมิงทิวเสจะมีจด้วยอิมัสมิงทิวเสจะปังเรทิวเสจะแล้วก็มะมะอัฏฐายะมะมะอัาะมมอัาะแค่เนี้ยมะมะไมหังเมอํ ที่แปลว่าของเราอ่ะมามะก็ได้ไมหังก็ได้เมยก็ได้แต่ในที่นี้เมย์มันลงไม่ได้เพราะเมยมันต้องอยู่ตำแหน่งที่สองของประโยคก็ต้องเป็นมามะหรือไมหังไมหังก็ได้เหมือนนกไมหะกะไงไมหะแปลว่าของเรานกไมหะกะไปไหนก็ร้องว่าของเราของเราเขาก็เลยมาแปลภาษาไทยว่าเป็นแปลว่านกเขาแปลกนะนกเขาทําไมมันร้องของกูมันน่าจะร้องของเขา ข้อแปสุดท้ายพวกเราพากันทําบุญเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอันนี้ประโยชน์เกื้อกูลเลยนะบังคับต้องเป็นคํานั้นนะอธายาะไม่ได้พเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขของตนด้วยของเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยเอาละพวกเราก่อนพวกเรามยั ง, พ า, งาพากันทำกะโรมะพากันทํากะโรมะ ทำกุศลล่ะกุศลังก็ได้ปุญยังก็ได้ทำกุศลใส่ทับศัพท์ก็กุศลังเพื่อประโยชน์เกื้อกูลฮิตายะเพื่อความสุขสุขายะของตนด้วยอัตโนจ่าของเพื่อนพมจันด้วยอะ เพื่อนพรหมจันสัพพ ร, รมะจางริโนจ ะ, รรรนะเรียงประโยคให้ถูกว่ามะยังมยังอัตโนจะมะยังอัตโนจะอัตโนจะสัพพรมจางริโนจะสัพพรมจางริโ น, โนเขียนถูกไหมนะ อัตโนจะสพรมจางริโนจะต่อไปเพื่อประโยชน์หิตายะสุขายะแล้วก็กุศลังกะงโรมะมะยังอัตโนจะสะพรมจา c ริโนจะหิตายะสุขายะกุศลังกะงโรมะ